คนใดที่ทำใจให้สงบรวมลงมาได้โมกคันติมาได้บันธนาจะพคนเสียจากเครื่องผูกพันของมารถ้าหากอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามาคุณหา รูปเสียงกลิ่นรสสัตว์พระเป็นบ่วงของใจกามคุณหานี้มันย่อมดับใจไว้รอบด้านรอบผาถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามากระดิกตัวแล้วอยู่พื้นที่ไม่เป็นไร ที่เที่ยวไปกลายงังคอยไปถูกบ่วงของมารท่านเป็นคนใดจำรวมใจใด้แต่คนอยากบ่วงของมารเราหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักบ่วงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนาน เลื่อยเื่อยไปใจเป็นของมันมีตนมีตัวก็จริงแหละถ้าหากว่าเรากำหนดรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วใจตั้งเป็นตนมีตัวแท้ใจมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจ คืออารมณ์อารมณ์มันไดติดในอารมณ์นั่นนัน่นจุดหมายของใจแต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอาจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีตัวหมายความว่าไม่มีตู่ถ้าจุดหมายที่เอา จุดหมายที่ตั้งมันคือจุดหมายที่นิมิตของสมาธิเรากำหนดตรงไหนมันตรงด้านมันถนัดในใจของเรามันจะมีเครื่องหมายของนิมิตภาวนาเรียกว่านิมิตสมาี่ มีนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายแล้วนั่นแ่ะจุดหมายของของใจไม่ใช่จุดหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหะมันยังค่อยส่งไปส่งไปยังค่อยมีจุดหมายใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่งเฉยเฉยไม่แรงต้องมีเครื่องอยู่ เรื่องตนเอาหัดภาวนาธรรมสมาธิพุทโธพุทโธหรือว่าอนาฟาสติจุดอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวแน่วแน่อยู่ในอาโรมานั่นเรียวกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิถ้าหากว่าเรามีปัญญา มีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมายเข้าไปในก็นนั่นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกว่าพู้โทจับเอาตัวนั้นแล้วทิ้งพู้โทรหรืออนาปา มันเป็นจุดหมายของสมาธิทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้มันต้องรู้ด้ยวยตนเองจุดหมายของสมาธิหากรู้ด้ยวยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นแหละเครื่องอยู่ถ้ามีอันนั้นเป็กเครื่องอยู่แล้ว จิตมันว่อนจาก น, นั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหนจิตนี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปใกลได้คือเที่ยวไปอารม์ไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์ เที่ยวไปชมกลิ่นรสโภทภะธรรมารมณ์ลูกเสียงกลิ่นรสโภทภาธรรมารมณ์ไปชมลูกอันนั่นแหละมันมีตัวยังไปชมกลิ่น ม, มันมีตัวยังไปชมเสียงรสโภทภะอารมณ์ต่าง มันมีตัวยังคอยไปชมไปกินเพื่อไปสวยอยู น, อน่าเอามันพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเลยเทวดาท่านบอกพิกษุองเรียกออาไปขโมยของเขาพิกษุองหนึ่งเอาดอกไม้มันดมกิ่นหอมเลยชอบใจ ติดเทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานี่ดอกไม้ก็ไปรักเข้ามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นเป็นรักเขาสิรักกลินของเขาสิ ท, าาทันหลังเทวดาว่าอย่างนี้ลูกเขไปรักเอามา ไม่มีในทีน่นี้แต่ไปเอาอื่นนมารักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักออกมาไปขโมยออกมาเขาก็เขารับรับเพลงเยอตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรัก ไม่ชอบผมไปเกลียดไปโกรธ่ปค้องหาได้รู้ตัวไหมปินก็ไปรักเอาของเข้ามาเอามาชมมาดมมายมีมนับถืออันไนรักอันไนชอบอนไรไม่รักไม่ชอบเขามาเกียดมางอ เขาก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโธทพธรรมอารมณ์ทั้งพวงมดรูวนะ่าในจจขี้ขโมยเข้ามาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องด้วยถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่ก็เรียกว่าชินไม่บริสุทธิ์สมาธิเขาไม่ไม่เป็นไป ทังให้เป็นให้เป็นผู้มีสินบริสุทธิ์เ่นกนสมาธิเองเคยเจริญปัญญายังอกงามขึ้นมาอันนี้แต่สินเบื้องต้นเข้ามาบริสุทธิ์แล้วที่ไหนมันจะเป็นสมาธิมันจะเจะริญปัญญาได้ฉินนั่นจะเป็นของละเอียด นักสิ่งของสมวยของเขาเป็นวัตถุ น, นั่นเป็นวัตถุส่วนสิ้นข้อแรกเรียกว่าค่าคนอื่นนึกชัดอื่นอันเรียกอันนั่นเรียกว่าเป็นวัตถุแยกโล่งให้ค่า จร่งที่เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนานเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่ามันหมดลูกเสียงกินโรโปวดทว่ามันมา ป, ปรากฏที่ใจชั่รละมันหมดมันเรียกว่าขาข้อสามข้อสี่ข้อห้า ก็เช่นเดียวกันกามเมษมีชาจารพระพืชผิดในการมไม่ต้องพระพติผิดร่วงละเมิดทางกายในทางใจร่วงละเมิดทางใจ เกิดความพอใจลัใคร่ยินดีเกิดขึ้เนเรียกว่าพืชผิดแล้วพืชผิดด้วยด้วยจันท์การโคโหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดรอลวงด้วประการต่างๆ เ้าหลอกลวงล่อลว ง, ลวงตนเองว่าจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งว่าจะละไม่ละคิดหินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราพมา่า เมาในที่นี่ไปเลยเมาจะเรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงขินรถโฟลทพักเพิดเพลินมัวเมาในทั่วไปจะได้ชื่อว่าพิษฉินข้อหาความเมาคือความเพิดเพลินความเมาคือความยิ้ออกยิ้มใจก็ดีใจได้เสียใจ มันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้อันนี้เรียกว่าเมามีข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งล้วองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดแล้วจะอยู่เป็นสุขสบาย ไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายองค์สอนให้ฆ่าโดยวิธีนี้ไม่ได้ฆ่าด้วยสตราอาวุธใช้อาวุธคือปัญญานไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นในคนคนอื่นอีกด้วยแต่ทำลายตนเอง นี่เลยทุลังขมังอิสระลั ง, สงอสัยญาขูหาสาังจิตมันเที่ยวร่อไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือผู้หาสาังถ้าหากใครสำรวงจิตได้ คนนั้นจะพ้นจากวงของมันนี่แหละมันไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเรานี่เองถ้าออกจากตัวออกไปก็ไปถูกวงมันถ้าหาก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายเอ็มมีไยจึงควรสำรวมระวังเรา ตั้งใจปฏิบัติพึกหัด ก, กรรมฐานยาให้พากันชื่อกรรมฐานได้เฉยเด็ดเดวไม่เป็นกรรมฐานเราเป็นตัวเป็นกรรมฐานตัวทั้งหมดเป็นกรรมฐานอธิบายมาทั้งหมดให้ก็เรียกว่า กรรมฐานยิเรศบาปธรรมอยู่ในนี้หมดวิธีฆ่าวิธีละอยู่ในที่นี้หมดชิ้นห้าิ้นแปดก็อยู่ในที่นี้หมดถ้าทำขคืองดเว้นเจตนางดเว้นเลยกลายเป็นชิ้นอยู่ในชิ้นขึ้นมาที่นี้ เจตนาไม่งดเองกับกายเป็นบอกบาปอกุศลในทีน่นี้ทำทั้งหลายรวมหมดในทีน่นี้เราเป็นคำว่าฐานควรที่จะคิดค้นหาเหตุผลในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิด ตรงไหนพระองค์สอนให้เอาตรงไหนพระองค์สอนให้ละจึงจะได้ชื่อเป็นกรรมฐานสมบูรณ์ไม่ใช่กรรมฐานแต่ชื่อเมื่อหัดพิจารณาอย่างนี้เห็นช่องเห็นทางเห็นทีละทิธรแล้วเราจะตั้งใจรักษานานไว้ จึงจะได้ชืวร์เป็นกรรฐานสมบูรณ์ด้วยสกขาลักษณะนี้ า, าการดีบลิงประกอบกลมเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไง ต้องเรียกเร่งทำจะให้พอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดหน่วยทันตลาดคือทันกาดเองรีบเจียรีบพายจะให้ไม่สายเดาบัวจะเหว่เข้าว่าตัวของเรามันเหว่เพราทุกวันทุกวัน รีบเชลวจะรีบหายอช่ให้ยมันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาช่งควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ยัมวันฉันร่วงหมดก็มีเที่ยมพอบานด้วยกันที่เวลานี้เขามีกลิ่นหอม บ, บานด้วยกัน ชีวิตยังมเครื่องหมายในขนาดที่ว่ามันกําลังบานนั่นคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ยังเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่เรียกว่าบานแล้ว มันรับธรรมะคำสองพคนชาวเรียก่าบานแล้วเพราะไม่แก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่ง่านวันนี้แล้วไม่ยินเดียวฟังแล้วไม่ใชื่อบาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟถึงคุงงามคามดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเรื่องของกัดแก่งไม่อยู่นิ่งนอนได้ ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็าไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ท้าจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทํามสมาธิภาวนารักษาควสงบอบลมให้เขาถึงเอกตาลงสมลงอวปตุลัยลงเอกตาจิต ให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปไหนเราต้องวางมดเรื่องความการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาอุบายนั้นไว้ทำนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นนเป็นการชำระ แก้ไขตนเงในตัวลงถึงอปปนาแล้วมันง่อนลงถึงอุปจาละจิตแน่วแน่วลงไปอารมณ์อันเดียวพิจารณาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวกณะ น, นัน้นสิ่งที่เราต้องสารและปรารถนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้ว มันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่ไม่มีใครแต่งไม่มีให้ใครบอกใครสอดมันทั้งเป็นเองนั่นเรียกวา่าจิตพักพักทั้งหนึ่งีปก่อนแต่จริงที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุเบจาระอุเบจาระนั้น อย่าไปบังคับมันคิดคน้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นแหละสงบในที่นั่นแหละพิจารณ้าก็ที่หน้าเห็นในที่นั่นแหละค้นแค่คน้คนในที่นั่นแหละไม่ต้องค้นออกไปที่อืถ้ายังไมาทันค้นก็ให้อยู่ด้วยควาอยู่ความสงบมาเสีย ถ้าหากมันมีเรื่องที่จะจิปค้คนกับค้นอยู่ในที่นั้ น, นจึงจะเป็นสมาธิเพราะว่ า, า, าะะน้นจริงรีบเร่งทําเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ไเอาทํากันลงี้เทศให้ฟังแล้วทานีปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรม อาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมานะ่ะนาฟังนาฟังเทเส้นหนึ่งทำมาหนึ่งคือว่าวเปนจริงเนี่ยทำคำพูดของตัวเทเสทำเทเสทำคำสอนพยาี่วานเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่งเทเสต้องทำตามที่เทเส ท, ทำทำพอพอสลามไม่ใช่เทเสพอทาทอ เทศธรรมเรื่องต้นเป็นเทศธรรมอรมมรสดัล่ลภนี pun. ่เทศจะนี่ธรรมอธิบายให้ฟังแล้วต้องทําถ้าไม่ทํำมันจะไม่รู้จักรสชาติต้องการเทศธรรมะจึงต้องการธรรมรสการฟังเทศบนทางแล้วปฏิบัติจึงจึงต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดู จะเป็นจริงอย่างที่ตั้งแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจว่าไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ลักและให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอม ท, ทาทางที่ไม่ดี อาหารเรเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักท่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายจะททำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรปกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรก ไปหยิบมาดองเขาก็เรียกคนโง่คนที่ที่ผลิตคนเสียจริตว่คนจริตคนเองถ้าเห็นชาติเจตนเองได้จะไปทําใหม่ทําเขาก็เรียกคนวิคนจริตนี่เราเยังไม่ได้ปฏิบัติเรายังมาจากรสชาติของธรรมากอย่างนี้เราก็เรียกว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทําไว้ในตัวของเราเราเยังไม่มีสมบัติคือธรรมะ แค่ในตัวของเราธรรมะนี้แหละเป็นสมบัติของร่ำไพ่มหาศักดิ์เราเกิดสมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครงอยู่แล้วก็เมตตาไ ป, ไปว้างเปล่ไปถึงไหนก็เมตตาอย่างที่เป็ น, เ ป, นเป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้ ว, ลวก็มัวเ ม, มาขมันรุ่มลงเธลิเนเลยไม่มีไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมา ก็จะรู้ตัวได้สัตสายแาค่บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชลาพิ่งเตล่าแค่จะไม่มีกป็นอย่างนี้แย่ขนาดที่เรารู้จิตตัวขึมานี่ยเขาเรียกว่าดีขึ้นนะครูเนี่ยลถของพระธัตถ์เราลรมรถของพรริธัตถ์ธรรมารดมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรดปฏิบัติต่อไปนว่าการที่จะเห็นธรรมรดได้รับรถธรรมรดอัน อาศัยการทําจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตจะอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห้นจิตก็ไม่เศร้าจะรู้ได้ยังไงดีชั่วเมื่อเกิดที่จิตถ้าไม่เห้นจิตก็ไม่รู้จั ก, กว่ามันเกิดมาอะไรขึ้นมานีจริงๆล่าชั่วกับล่าที่จิตที่ปรากฏที่จิตเพไม่ดีแตจะรักษาคนดีว่าอะไเมื่อปรากฏขึ้นที่จิตก็าารักษาคนเดียวที่จิตไม่แต่ไปรักษาที่ เมื่อเราเห็นเช่นจิตเจ็ก่อนจิตทําค่อนสงบเจ็ก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทําสมาธิภาวนาคืองัดแใจใจสงบ <c oughs> เพื่อจะได้รับรสชาติของเสือมธรรมดังอธิบายมานั้นตอนนี้เราจะพาการตั้งใจทําสมาธิภาวนามาทำกันได้ นั่งภอนลากักนการทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เป็นของหาได้ยากบางแห่งเขาอยากทำสมาธิแันแทบตายก็ไม่มีคนอุปสงค์สอนทำก็ไม่ใช่ทำอย่างที่ถูกต้องเมื่อสนมากทำไปวิตกทุกขูมันมีน้ว่า เป็นการดีที่สุดเราได้มาทำารมดีภปนาถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าดนเนินตามทางสถิปัานทั้งสี่เมื่อเขาถึงสถานที่เช่นนี้ฝึกหัดแล้ว ไม่เกิดความประมาทที่เกียดไม่สนใจไม่เอาใจใส่นเรียกว่าความประมาทความประมาทเป็นเหตุให้ทาความชั่วเรยประการต่างๆเมืม่อประมาทเพิกเฉยก็โดยไม่เอาไหนในใจใส่คิดมุ่งไปในทางที่ผิด